ให้เฟังฟังแล้ดได้ยีนยิได้ดจำได้ยล้ว ป, วปว็นงานไปัี่ไปยิ่จได้แล้วฟังซื่อๆบุกินฮาฟังซื่อๆยิ่งมีหลังจากการธรรมบัเตา่าก็เลยมแนะนำให้พวกเราได้เขา้าใจวิธีปฏิบัติของมา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 กีจะว่าตั้งมั่นนั่งให้ตรงล้วจะนั่งห่อยงายแล้วก็ทันจังหวะทันจังหวะยะต้องทำไหวทันซาซาทำอีกตึกจังหวะตึกจังหวะนีนั่งแล้วก็ไปเ ด, เดินจงกมเดินจงกรมก็จะไปเดินไหวเดินไปอย่าไปเดิน้าเดินไปเดินให้พอดีทนให้เตือนดีคือที่ เทคนิคเป็นไขเป็นศิริยาเป็นอันดก็เป็นมตต์เพราะพระพุทเจ้าเพิ่งสอนไว้แล้วว่าให้มีสกิกําทนิรู้ในอิริยาบถทั้งขี้ยืนก็ให้มีสกิสําทธิรู้เดินก็ให้มีสกิสําทธิรู้นั่งก็ให้มีสกิสมิทธิรู้นอนก็ให้มีสติสมิทธิรู้ คนจะคนสอนในเรื่องเร่องนี้แน้วก็ให้มีสติกำหนดรู้ในอุรยาบท ย, ย้อยผู้เยียดเคลื่อนไหวโดยวิทีเดินตัวให้รู้เขาก็ต้องขำวิธีทำนั้นนอนตึอมือเต่าระยะอย่างฟ้าที่สุก็ต้องสี่สามสีสามอย่างลึกมาสีที่สามสิ่ธรรมรรมวัตร ผู้ตื่นสอนผู้ตืนเด็กก็ต้องสีสองสีสามลุกออกมาทำวักถึงลุกออกมาเดจนพมสร้างจังหวักแล้วก็มาทำวัดมาทาวัดก็มาทำที่ตรงนี้เพื่อกระอบรมอันนี้เป็ น, นวิธีการเป็นจิตนิพนธเป็นปณใจทำแล้วใหมันเกิดปัญญาเกิดปัญญาเป็น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 ทั้งสองอยางนี้แหละได้ใจใจสั่งขนาดเรือพ่อสู้สันติดกสองหมื่นหนึ่งขันธะัพระวินศิโดกสอง0มื่นหนึ่งพันันธะขันพระิามปิโดกสี่มื่นสองันพรวมเป็นแปดหมื่นสี่พันพันธะขัเขาเรียนรัดเรือพู่้สำเร็จมุนุจากอันนี้ก็ลโลกโ ล, ก น, ลกน้มโลกหนึ่งสูโลกอันนี้มันเป็นอาไรที่ โลกเกิดขนมากระเจ็ดหัวพวดท้องตายเนา่าเข้าโลงโลกอันนี้ต้องไปอาศัยหมอที่โรอพยาบาลในโลกสติเล็งนงั่งอยู่ซึ่งมีโรเจ็บไ้ได้ป่วยแต่มันมีความฮักความสาวความอิจฉาริษยาความยินดีนยินร้ายอันนี้จิอย่างเป็นโลกสูดเหมือนต้องรู้กันอันนี้เพราะหาบที่ปรินาเกิดแล้ว ม่อรู้จักอันนี้แล้วกัรู้จักทุกขังอันนีจังอนัตตาครูบาอาจารย์สอนว่านั่งนานนานเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บเท้าเป็นทุกขังเป็นอนจังเป็นสาอนั้นบเมเป็นทุกขะเวทนาทุกโซกโซกาทุกไข่ลำไส้งหเป็นทุกขังนจังโตทุกขังโตอันนจังโตอนนัตตาโตเคลื่อนโตไหว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 เมื่อรู้จักอันนี้แล้กวลก็รู้จักสมมุติสมมุตดถีสมมุติเท ว, วดาสมมุติบวชแล้วก็ติดติดแล้และกะวก็บวชพระพุทธรูปก็สมมุติขึ้นมาให้วาสุขึ้นที่สมสมุตดถีมาเขาใหญ่บ้านทํางานทูปสถาบสมุดขึ้นมาทางนั้นจึงให้เขาอยากสมมุดถเมื่อสมมุดรู้จักแล้วก็มีตาติดน้อย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 ือศาสนาภานศาสนาเอาแก่ศาสนาดึกดำบันบ์แบบนพุทธศาสนาพุทธศาสนาพุทธภาคเตะผู้รู้ผู้ซื่นผู้เบิกบาน ด, ด้วยธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมจึงเป็นศาสนาอันนี้สตรสำเร็จบาปก็คืองโง่บูรหจริศทางวิธีปฏิบัติรธรรมพนเอื้นสนบาป เนี่ยจะให้ทานรักษาสิ่งจินเจยู่กันไาหากบุจากวิธีทำเครื่องทุกออกจากตัวเองบุได้นะครับคือว่ายังมีบาทดีบุญมันบุญคือรู้รู้แล้วให้ว่าเส้นระ บ, บคกอคือสบายใจอันนี้อววามบุญหลักพุทธศาสนาเปนรู้จักรนี่เป็นสูตรสำเร็จ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 ให้จิตโยนหมุนมาใจในทางข้างนีเพราะปล่อยให้จิตหมุนภาในทางข้างดีข้างจิตจะคือสิเลสเนี่ยคือโบเห็นจิตโบเห็นใจเท่านั้นเองทมที่มี้ทำที่ น, นี้ผมรู้สึกเท่านีก็จะมีจักนายหายอเฮามูรู้สึกตัวแล้วก็นิ่ง่ายหายไปอะทำเข้าครอบงำอะทำรระสุดอามูรู้ ผมละยันสำมบูรณ์ป้อนซ้นปอกหลอกวนมันรลอกเขาเป็นใจเอาลอกหาเต็มจังหวอะอาดูธีปฏิบัติดูเทปฏิบัติสอนเตาที่หลองคอนเคยแม่ีสองหรือตีสามตื่นเพื่นแล้วนั่งสร้างจังหวะเดินชมกลมดูละคังป้งขึ้นมาเขาเดินจนจบี่แล้ว คนใดขี้เกียจที้คานปฏิบัติบอก้าวหน้ามีแต่เว้าแหละๆอยู่สนิทบ่คนใดรักการรักงานรักหน้าที่ปฏิบัติธรรมบากล่าวหน้าหวังฟื้นฟูตัวเราหวังฟื้นฟูผูบา่ายใจหวังฟื้นฟูคําสอนของเจ้าจว๋งคนคนนั้นรู้จักเคารพสถานที่คนคนนั้นรู้จักเคารพ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 ทำตามหน้าที่อันนี้เป็นว่าเป็นนักปฏิบัติแท้เ่าเป็นคนพูดมากเพเป็นคนคุยมากเป็นคนทําการทํางานมากเาเสื้อฟังเข่ารบเสื้อฟังคำแนะนำของผูาา้สอนแล้วก็เสื้อฟังตัวเองคิดตัวเองเห็ น, เ ป, นเป็นว่าการปฏิบัติธรรมมากเสื้อเขาต้องพยายามทํากันจริงจริงจัง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 เพราะคนมันตายเป็นพวกเด็กศึกเป็นพวกบ้านบูห่มขาเจ้าบดได้บวดปนีเขาเจ้ากระว้าธรรมะอยู่บนสันเือคนที่รู้นะคนที่รู้น้อยกับบุญเดก็เชิดไปจากไปมัดบันนี้นนต้อเอกมายู่ป้าพุทธญาณนี่ยคนอยู่ป้าพุทธญาณนี่หมู่ไอเอ็นหมูม่มหาบุตรห ม, มูมมมมม่เพื่อนยังเสี่ยงหมู่เพืนควาพันหมู่นี้แหละยังมั่นคงอยู่ ทุกออกไปแล้วก็อย่งมั่นคงอูแล้วตอ น, น้อยบัด น, นี้ออกจากนี้ไปแล้วไปสอทุกออกไปแล้วบัด <c oughs> มันบุเข้าไปในสัวใจได้มันบุญสุดเพราะว่าบุได้สอนกันมามีเจ้าให้คังจําไปอันนั้นได้ปริมาณม า, คณานนนนออกคุณภาพนน้อยบัดนี้เขาจะฝึดเอาคุณภาพบ่ไม่ฝึออกเอาปริมาณ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 ให้มันเป็นน้งสั้นจับติดเทือพอดีคิบปุ๊บเห็นปั๊บคิดปุ๊บเห็นปั๊บคิดปุ็นปั๊บมันถึงมันทุกจุดเขาพยายามคุ้มเทอคุมเทียนดวงที่ตรงนี้เท่งถึงเกี่แวกท่งเท่งง้เท่งเนือเท่งเนื้อนี่เบึ้มจอนพัน้ามันเกิดอย่างเป็นหัวเถือแแปลว่าเขาอย่างอดสุด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 จิงโดยสดมมติจิงโดยปรมาตารย์รวมมีสมมติบัญญัติอัตถาบัญญัติอเยบัญญัติบันี้อัตถบัญญัติอัตถะว่าลึกยากบุคคลที่จะเห็นิห็ใจตัวเองอเนยบัญญัติต้องเป็นพระเดีธธยวคันเป็นว่าแต่วตำราบได้บอกถึงขนาดนี้อันนี้เนะ่เป็นสตรสมุทเทกุตปฏิัติ ผมกล้ายืงยันรับรองคํำโคตรสูตรนี้นี่เป็นสูตรทีเขาเมื่อรู้เห็นวัตถุเห็นปรมัตารวัตถุหมายถึงของที่นี้ร่างกายแลาตอนนี้จิตใจเรานึกเราก็ดอะไรปรมัจารยปว่าเอาเห็นยู่มียู่เป็ี่ยนยู่กาลังสัมผัสยู่อาการสัมผัสเปลนแปลพอดีเห็นสูตรนี้ตัเกันขึ้นมาเรก็รีบโคตรส โมหะเลธาโพสะลายแลงโมหะขวมมวยโลภะอยู่ใต้โมหะมัโพสะโลภะโมหะขวมมคนจึงมักลงทำติดพูดติดจิตเมื่อเห็นสูตรนี้จบมักใช้นิ้ภัยเห็นรู้เข้าใจสูตรเวทนา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 แต่ตัวคนโบ้เส้นทีได้ใจเขได้เป็นที่ึงเห็นจิตใจตัวเองเป็นี่ผมได้คิดแบบัน <_: S 1> นี้เป็นคนใดว่าง่ายสอนง่ายผู้นี้คือเทวดาผู้นี้คือพระธรรมนี่คืาให้เห็นพระธรรมจริงๆจีนีครัวไขเอาเวามจริงๆพระธรรมการพระธรรมงานพระพดพระคิพระ คือผู้ใจดีอันนี้หลักสณะนี้หลักสณะใจดีหลักสณะที่สู้กันไปจนสุดหลักสณะนั้นนี่ว่าสู้ดีใจรู้แล้วดีใจใจอย่างเดใจอย่างเดีย เ, ด เ, ดเมื่อผมเห็นเวทนาไม่ทุกข์กัญญาไม่ทุกข์สังขารไม่ทุกข์จินยานไม่ทุกข์ผมเดินไปเดินนี่แหละ เนื้อผาเต็โอ้อผูทนี่เป็นผักได้แล้วเด้เนี่ยเป็นอยงไันื่ว่าสูดสัมฤทธิ์ผมกัญยาอยู่น้ำหนักตัวของผมผมตีราคาไว้ร้อยกิโลเบาว่งออกไปลโล่แปดสิบกิโลแต่ผมตัดไว้หกสิบกิโลโอ้โอเป็นผัก้แล้วรู้จักมักที่ตรงนี้เลย นี่แหละมักแปว่าเดินไปหาพระพุทธเจ้าตำราขจ้าเอื้นเป็นปฐมมาสานผู้ปิญญ า, าศาสตรศาติยญาศารจะกุทศาลรปัญจามาสานขาจาวาแต่อันนี้บ่ได้ว่าจ้ะพวกก็กเลยเดินกลับไปครับบพทันนานครับเพราะเทดทุกจังหวะได้ครับลักการลักงาน